เราทุกคนต่างเกิดมากันคนละทางอาจจะมีแค่บางอย่างที่เราอาจดีและคล้ายกันต่างคนก็มุ่งไปอยากได้อยากเป็นคนสำคัญแต่จะเป็นแค่ความฝันหรืออาจเป็นจริงขึ้นมาทุกอย่างที่ทำ ปัญหามากมายต้องยอมฝืนทนต่อไปดิ้นรนทุกท่าอดทนพสิ่งที่หวังทั้งชีวิตทุ่มไปถึงฝันยิ่งไกลแสนไกล แรงใจเธอจะลมน้ำตาแค่เพียงบทเปลียนเพื่อก้าวไปถึงจะแพ้ใครชนะ ีวิตทุ่มไปถึงฝันยังไกลแสนไกลอย่าไปท้อแม้ยังไม่มีคุทธรทำทุกอย่างให้ดีสุดแรงใจหากจะลงน้ำตาแค่เพียงบทเรียนเพื่อก้าวไป ถึงจะแพ้ใครชนะนใจตัวเอง